ธรรมบทแปลเรื่องระ ง, งับความทะเลาะแห่งหมู่ประญาติภาคที่หเรื่องที่ห5 7พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในแก้นของชาวสักะทรงปรารบหมู่ประญาติเพื่อระ ง, งับความทะเลาะจึงได้ตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าสุสุขัง วะตาชีวามะเป็นต้นตอนความวิวาเกิดเพราะแย่งน้ำได้ยินมาว่าพวกเจ้าสากะยะและพวกเจ้าโกริยะให้กั้นแม่น้ำชื่อว่าโรฮินีด้วยทํานกอันเดียวกันในระหว่างนครกบิลพัทกับนครโกริยะแล้วให้ทําข้าวกลา้า พอถึงต้นเดือนเชตมาคือในเดือนเจ็เมื่อข้าวกลาเหี่ยวพวกกรรมกรแม่ของชาวนครทั้งสองประชุมกันในชาวนครทั้งสองนั้นชาวนครโกริยะกล่าวว่าน้นํานี้เมื่อถูกพวกเรานําไปแต่ข้างทั้งสองจะไม่พอแก่พวกท่านเมื่อถูกพวกท่าน นำไปแต่ข้างทั้งสองก็จะไม่พอแก่พวกเราแต่ข้าวกล้าของพวกข้าพเจ้าจะสาเร็จด้วยน้ำกล่าวเดียวเท่านั้นพวกท่านจงให้น้ำนี้แก่พวกข้าพเจ้าเถิดฝ่ายชาวสาคยานอกนี้ก็กล่าวอย่างนี้ว่าก็เมื่อพวกท่านทำช้างให้เต็มตั้งไว้แล้วพวกข้าพเจ้าจะไม่อาจถือเอาทองมีสีสุก แก้วสีเขียวแก้วสีดำและกระหาปะณนะแล้วมีกระเช้าและกระสอบเป็นต้นในมือเที่ยวไปที่ประตูรเรือนของพวกท่านข้าวกล้าแม้ของพวกข้าพเจ้าก็จะสำเร็จด้วยน้ำคราวเดียวเหมือนกันพวกท่านจงให้น้ำนี้แก่พวกข้าพเจ้าเถิด ก, ก, กรรมกรชาวกริยะพวกข้าพเจ้าให้ไม่ได้พวกสากยะแม้พวกข้าพเจ้าก็จะไม่ให้ ข้าชาวมื่นทั้งสองได้โต้เถียงอย่างนั้นแล้วทำร้ายซึ่งกันและกันอย่างนี้คือคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วให้ทำร้ายแก่คนหนึ่งเมื่อชนผู้ถูกทำร้ายนั้นก็ได้ทำร้ายแม้แก่ชนเหล่าอื่นกระทบกระทั่งถึงชาติแห่งราชตระกูลทั้งหลายก็ความทะเลาะให้เจริญขึ้นแล้วพวกกรรมกรชาวโกริยะกล่าวว่า พวกเจ้าจงพาเด็กชาวเมืองกระบรลพัดไปเสียเถิดชนเหล่าใดอยู่ร่วมกับพวกพี่สาวน้องสาวของตนของตนเหมือนสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นช้างมา้าโลและอาวุธทั้งหลายของชนเหล่านั้นจะทำอะไรแก่พวกข้าพเจ้าได้ฝ่ายพวกกรรมกรชาวสาคยะก็กล่าวว่าบัดนี้ พวกเจ้าจงพาพวกเด็กขี้เรื้อนไปเสียเถิดชนเหล่าใดไม่มีที่พึ่งไม่มีคติอยู่ที่ต้นกระเบาดุดสัตว์เดรฉานช้างมา้าโลและอาวุธของชนเหล่านั้นจะทำอะไรแก่พวกข้าพเจ้าได้ชนเหล่านั้นไปบอกแก่พวกอมัดผู้ดูแลในงานนั้นพวกอมัดทูลแก่ราชตรกุลทั้งหลาย ลำดับนั้นจเจ้าสากยาทั้งหลายคิดว่าพวกเราจะแสดงเรี่ยวแรงและกําลังของเหล่าชนผู้อยู่ร่วมกับพวกพี่สาวน้องสาวแล้วจึงตระเตรียมการยุตธออกไปแล้วฝ่ายเจ้าโกริยาทั้งหลายก็คิดว่าพื่เราจะแสด ง, ดงเรี่ยวแรงและกําลังของเหล่าชนผู้อยู่ที่ต้นกระเบาในนี้แล้ว ก็ตระเตรียมการยุดออกไปแล้วตอนพระศาสดาเสดห้ามประญาติแม้พระศาสดาตรดดูสัตว์โลกในวันใกล้รุ่งตอนประเนตเห็นหมู่ประญาติแล้วทรงน้ำือว่าก็เมื่อเราไม่ไปพวกญาติเหล่านี้จะพินาศการที่เราไปจึงจะควรนันนี้แล้ว ก็เสเด็จไปทางอากาศพระองค์เดียวเท่านั้นประทับนั่งโดยบัลลังก์ในอากาศณท่นะามกลางแม่น้ำโรฮินีพระญาติทั้งหลายเห็นพระศาสดาแล้วทิ้งอาวุธถวายบังคมครั้งนั้นพระศาสดาตรัสกับพระญาติเหล่านั้นว่ามหาปิฏนี่ชื่อว่าทะเลาะอะไรกันข้าพระญาติ พวกข้าพระองค์ไม่ทราบพระอเจ้าข้าพระศัสดาว่วาบัดนี้ใครจะทราบเล่าพระญาติเหล่านั้นถามตลอดถึงพวกทาดและกรรมกรโดยอุบายนี้ว่าอุป ร, ราชจากทราบเสนาบดีจากทราบเป็นต้นแล้วจึงกราบถูลว่าทะเลาะกันเพราะน้ำพระเจ้าข้าพระศัสดาก็น้ำตีราคาเท่าไหรมหาปิฏพวกพระญาติ มีราคาน้อยพระเจ้าข้าพระศัสดาก็กษัตริย์ทั้งหลายราคาเท่าไรพวกบริหยัคขึ้นชื่อว่ากษัตริย์ทั้งหลายหาค่ามิได้พระเจ้าข้พระสัสดาก็การที่ท่านทั้งหลายทำพวกกษัตริย์ซึ่งหาค่ามิได้ให้ชิบหายเพราะหาใส่น้ำซึ่งมีประมาณน้อยนั้นหัวแล้วหรือพวก ญาติเหล่านั้นก็ได้นิ่งแล้วลำดับนั้นพระศาสดาตรัสเตือนพระญาตเหล่านั้นแล้วตรัสว่ามาปาะพิษพระเหตุไรพวกท่านจึงกระทำกรรเห็นป่านนี้เมื่อเราไม่มีอยู่ในวันนี้แม่น้ำคือโลหิตจะไหลหนองท่านทั้งหลายทำกรรมไม่สมควรแล้ว ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีเวรด้วยเวรห้าอยู่เราไม่มีเวรอยู่ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความเดือดร้อนด้วยกิเลสอยู่เราไม่มีความเดือดร้อนอยู่ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความควรขวายในอันแสวงหาการมกคุณอยู่เราไม่มีความควรขวายอยู่ดังนี้แล้วก็ได้ทรงพาสิทธิ์พระคาถาเหล่านี้ว่า ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันพวกเราไม่มีเวรเป็นอยู่สบายดีหนาะในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันพวกเราไม่มีเวรอยู่ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนกันพวกเราไม่มีความเดือดร้อนเป็นอยู่สบายดีหนอะในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนกัน พวกเราไม่มีความเดือดร้อนอยู่ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ควรขวายกันพวกเราไม่มีความควนขวายเป็นอยู่สบายดีเนาะในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความควนขวายกันพวกเราไม่มีความควรขวายอยู่บารีว่าสุสุ ข, ขังวัตชีวามะเวริเนสุอเวริโนโเวริเนสุ มนุษเสสุวิหะรามะอเวริโนสุสุขังวัตะาชีวามะอาตุเรสุอนาตุราอาตุเรสุมนุษย์เสสุวิหะรามะอนาตุราสุสุขังวัตะาชีวามะอุสุเกสุอนุสุกาอุสุเกสุมนุษเสสุ วิหะรามะอนุสุกาก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสุขส ข, ขังแปลว่าสบายดีพระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายไว้ว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันด้วยเวรห้าพวกเราไม่มีเวรในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนด้วยกิเลส พเราชื่อว่าไม่มีความเดือดร้อนเพราะความเป็นผู้ไม่มีกิเลสในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความขวรขวายในอันสแสวงหากามกุลห้าพวกเราชื่อว่าไม่มีความขวนขวายเพราะไม่มีการสแสวงหานั้นจึงเป็นอยู่สบายดีกว่าพวกเครือดผู้ยังความเป็นไปแห่งชีวิตให้บังเกิดขึ้น ด้วยาสามารถแห่งการตัดที่ต่อเป็นต้นหรือกวา่าพวกบัญรัติผู้ยังความเป็นไปแห่งชีวิตให้บังเกิดขึ้นด้วยาสามารถแห่งเวทกรรมเป็นต้นแล้วจึงกล่าวว่าเราเป็นผู้อยู่ด้วยความสบายบทที่เหลือมีอัตตะอ่นง่ายต่านั้นในเวลาจบเทศนาช่วยเ็นน์น์มากบรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิบนเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาต